เล่มที่สองชื่อมหาวิพังเป็นวินัยปิฎกพระตรายปิฎกเล่มสองนี้สืบเนื่องมาจากเล่มหนึ่งคือว่าด้วยอาบัติของภิกษุต่อจากที่กล่าวมาแล้วในเล่มหนึ่งแบ่งออกเป็นหมวดใหญ่สี่หมวดและมีธรรมะสำหรับระ ง, งับอธิกรณ์ต่อท้ายคือหนึ่งนิสสคิยะกัน ว่าด้วยอาบัติปาจิตตีที่ต้องสละสิ่งของซะก่อนจึงแสดงอาบัตตกอาบัตินิสักียาปาจิตตีมีสามสิบสิกขาบทแบ่งออกเป็นสามวรกวรละสิบสิกขาบทสองปาจิตติยากันว่าด้วยอาบัติปาจิตตีล้วนที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขให้สละสิ่งของก่อน อาบัติปาจิตตีนี้9ก้าสิองสิกขาบทแบ่งออกเป็นเก้าวรกวรละสิบสิกขาบทเว้นแต่วักที่8ปดคือสหธรรมิกวรมีสิบสองสิกขาบทคำว่าปาจิตตีแปลว่าการละเมิดที่ยังกุศลคือความดีให้ตก 3. ปาฏิเทศนียกันว่าด้วยอาบัติปาฏิเทศนียะ แปล ว, ว่าอาบัตอันพึงแสดงคืนเบากว่าอาบัตปาจิตตีมีสี่สิกขาบท4เสขียะกันว่าด้วยข้อที่ภิกษุพึงศึกษาอันเกี่ยวด้วยวัดกิจพึงประธรรมวัดในที่นี้สะกดด้วยตอเต่ารอเรือนะครับอันเกี่ยวด้วยวัดธรรมเนียมหรือจริยามารยาต่างๆมีด้วยกันทั้งหมด 75สิบากขาบทแบ่งออกเป็นหมวดสารูปคือข้อปฏิบัติเพื่อความเหมาะสมแก่ความเป็นสมณะ26สิบกขาบทหมวดโภชนะปฏิสังยุตต์คือข้อปฏิบัติเกี่ยวด้วยการฉันอาหาร30สิบกขาบทหมวดธรรมเทศนาปฏิสังยุตต์ข้อปฏิบัติเกี่ยวด้วยการแสดงธรรมะสิสิกขาบทนอกจากนั้นยังมีบทเบตเตเลตอีก3าสิกขาบท จึงรวมเป็น75สิหสิกขาบท 5. ธรรมะสำหรับระงับอธิกรณ์เป็นข้อความสั้นๆแถมเข้ามาแสดงถึงวิธีระงับอธิกรณ์ด้วยธรรมะเจประการขยายความเกี่ยวกับรรพระไตรปิฎกเล่มที่สองนิสสักคิยะกัน ว่าด้วยอาบัติปาจิตตีสามสิบสิกขาบทที่ต้องสละสิ่งของหนึ่งจีวรวักวักว่าด้วยจีวอเป็นวักที่หนึ่งมีสิบสิกขาบทคือสิกขาบทที่หนึ่งจีวอนวักในนิสสคิยะกันห้ามเก็บจีวอที่เกินจำเป็นไว้เกินสิบวัน พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนาเชตวนารามใกล้กรุงสาวัตถีสมัยนั้นทรงอนุ ญ, ญาตให้ภิกษุมีจีวรได้เพียงสามผืนคือผ้านุ่งผ้าหม่มผ้าห่มซ้อนหรือที่เรียกว่าสังคาติภิกษุฉับพคีตามความหมายของคำศัพท์แปลว่าภิกษุผู้รวมกันเป็นคณะหกรูปภิกษุฉับพคีเข้าบ้านอยู่ในวัดลงสู่ที่อาบน้า ด้วยตรายจีวอนต่างสำรับกันภิกษุทั้งหลายติเตียนความทราบถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามเก็บอติเรกจีวอนหรือจีวอนที่เกินจำเป็นคือเกินจำนวนที่กำหนดถ้าล่วงละเมิดต้องอาบัตินิสักยะปาจิตตีสำหรับอติเรกจีวร น, นี้ถ้าจำพรรษาครบสามเดือนเก็บได้หนึ่งเดือนถ้าได้กานกถิน เก็บไว้ได้ต่อไปอีกสี่เดือนรวมเป็นห้าเดือนต่อมามีเหตุเกิดขึ้นพระอานนท์ใคร่จะเก็บผ้าไว้ถวายพระสารีบุตรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึงทรงบัญญัติสิขาบทเพิ่มเติมให้เก็บไว้ได้ไม่เกินสิบวันสิขาบทที่สองจีวอนวักในนิสักขยะกัน ห้ามอยู่ปราศจากไตรจีวรแม้คืนหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนเชตวนารามสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายเอาผ้าสังคติคือผ้าห่มซ้อนข้างนอกฝากภิกษุรูปอื่นไว้จาริกไปสู่ชนบทด้วยสบงคือผ้านุ่งกับจีวรคือผ้าห่มรวมสองผืนเท่านั้นผ้าที่ฝากไว้นานเปอะเปื้อน ภิกษุผู้รับฝากจึงนำออกตากความทราบถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงติเตียนและทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามอยู่ปราศจากตรจีวรแม้คืนหนึ่งถ้าล่วงละเมิดต้องอาบัตินิสักคยปาจิตตีภายหลังมีเรื่องเกิดขึ้นภิกษุเป็นไข้ไม่สามารถนำจีวรไปได้ทั้งสามผืนจึงทรงอนุญาต ให้สงส่วนสมมุติแก่ภิกษุเช่นนั้นเป็นกรณีพิเศษและไม่ปรับอาบัติสิกขาบทที่สาจีวรวักในนิสักขิยากันห้ามเก็บผ้าที่จะทำจีวรไว้เกินกำหนดพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับณเชตวนารามสมัยนั้นอาการจีวรคือผ้าที่เกิดขึ้นนอกการ ที่อนุ ญ, ญาตให้เก็บไว้ได้เกินสิบวันเกิดขึ้นแก่ภิกษุรูปหนึ่งแต่ไม่พอทำจีวรเธอคลี่ผ้าออกเอามือรีดให้เรียบอยู่เรื่อยๆพระผู้มีพระภาคเจ้าทอดพระเนตรเห็นตรัสถามทราบความแล้วจึงทรงอนุญาตให้เก็บผ้านอกการไว้ได้ถ้ามีหวังว่าจะได้ทำจีวรปรากฏว่าภิกษุบางรูป เก็บไว้เกินหนึ่งเดือนจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามเก็บผ้านอกการไว้เกินหนึ่งเดือนทรงปรับอาบัตินิสักคยะปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิดสิกขาบทที่สจีวรวักในนิสักคียะกันห้ามใช้นางภิกษุณีซักผ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนเจตวนารามอดีตภริยาของพระอุทายีเข้ามาบวชเป็นภิกษุณีรับอาสาสักผ้าของพระอุทายีซึ่งมีน้ำอสุจิเปรอะใหม่ๆนางได้นำน้ำอสุจินั้นส่วนหนึ่งเข้าปากส่วนหนึ่งใส่ไปในองค์กำเนิดเกิดตั้งครรภ์ขึ้นทรงบัญญัติศกขาบทห้ามใช้นางภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติซักย้อม หรือทุบจีวรเก่าคือที่นุ่งหรือห่มแล้วแม้คราวเดียวทรงปรับอาบัตินิสักคิยาปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิดสำหรับสิกขาบทนี้คำว่ามิใช่ญาติคือไม่เกี่ยวเนื่องทางสายโลหิตทางสายมารดาหรือบิดาส่วนเคยหรือสะพ้ยตลอดจนผู้เคยเป็นสามีภรรยากันก็ไม่นับเป็นญาติเพราะในตัวอย่างนี้ ผู้ก่อเหตุคือผู้เคยเป็นสามีภริยากันสิกขาบทที่หจีวรวัตในนิสัขิยากันห้ามรับจีวอนจากมือของนางภิกษุณีพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับณเวรุวนารามใกล้กรุงราชฤก์พระอุทายีแค้นได้ขอจีวอนนางอุบลวันนา ซึ่งมีผ้าอยู่จำกัดนางจึงให้ผ้านุ่งคืออันตราวาสกความทราบถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามรับจีวรมาจากมือนางภิกษุณีผู้มีชัญาตทรงปรับอาบัตินิสัขิยะปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิดภายหลังทรงบัญญัติเพิ่มเติมมีเงื่อนไขไม่ปรับอาบัติในกรณีที่เป็นการแลกเปลี่ยนกัน สิกขาบทที่หจีวรวัค์ในนิสักยักันห้ามขอจีวรนต่อเคาเรือหัดที่ไม่ใช่ญาติขคาเรือหัดคือผู้คองเรือนที่ไม่ใช่นักบวชนะครับบุตรเศรษฐีเริ่มใส่พระอุปนนทะสักยบุตรจึงปวารณาให้ขออะไรก็ได้แต่เธอขอผ้าที่เขาใช้ห่มตัวอยู่ แม้เขาจะขอไปเอาที่บ้านมาให้ก็ไม่ยอมพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามขอจีวรต่อขารือหัดชายหญิงที่ไม่ใช่ญาติถ้าขอได้มาต้องนิสกิยปาจิตตีภายหลังทรงบัญญัติเพิ่มเติมมีเงื่อนไขให้ขอได้ในเวลาจีวรถูกโจรชิงเอาไปหรือจีวรหาย สิกขาบทที่เจ็ดจีวรวัตรในนิสสกิยกันห้ามรับจีวรเกินกำหนดเมื่อจีวรถูกชิงหรือหายไปภิกษุชับพรขี่คือพวกหกรูปเที่ยวขอจีวรให้กลุ่มภิกษุที่มีจีวรถูกจรชิงไปหรือจีวรหายทั้งๆ ท, ที่ภิกษุเหล่านั้นมีผู้ถวายจีวรแล้วเป็นการขอหรือเรียรายแบบไม่รู้จักประมาณ ได้ผ้ามากจนถูกหาว่าจะขายผ้าหรืออย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าในกรณีที่ผ้าถูกโจรชิงหรือหายนั้นถ้าเข้ารือหัดปาวรณาให้รับจีวรมากผืนก็รับได้เพียงผ้านุ่งกับผ้าห่มเท่านั้นรับเกินกว่านั้นต้องนิสสกิยะปาจิตตี สิกขาบทที่8ปดจีวรวักในนิสักขิยะกันห้ามพูดให้เขาซื้อจีวรที่ดีๆกว่าที่เขากำหนดไว้เดิมถวายชายผู้หนึ่งพูดกับภริยาว่าจะถวายผ้าแก่พระอุปนนทะเธอทราบจึงไปพูดให้เขาถวายจีวร อ, อย่างนั้นอย่างนี้ถ้าถวายจีวร อ, อย่างที่เธอไม่ใช้ เธอก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเขาจึงติเตียนว่ามักมากความทราบถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามกำหนดให้เขารือหัสที่ไม่ใช่ญาติไม่ได้ะวารณาไว้ก่อนให้ซื้อจีวร อ, อย่างนั้นอย่างนี้ถวายตนด้วยหมายจะได้ของดีๆทรงปรับอาบัตินิสักิยาปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิด สิกขาบทที่เก้าจีวรนวักในนิสสคิยะกันห้ามไปพูดให้เข้ารวมกันซื้อจีวอนที่ดีดถวายชายสองคนพูดกันว่าต่างคนต่างจะซื้อผ้ากุลผืนถวายพระอุปนนทะเธอรู้จึงไปแนะนำให้เข้ารวมทุนกันซื้อผ้าชนิดนั้นชนิดนี้เอาที่ดีดเขาพากันติเตียนว่ามากมาก ความทราบถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามเข้าไปขอให้เขาฤ ห, หัสที่ไม่ใช่ญาติไม่ได้ปวารณาไว้ก่อนเขาตั้งใจจะต่างคนต่างซื้อจีวรถวายเธอแต่เธอกลับไปขอให้เขารวมกันซื้อจีวร อ, อย่างนั้นอย่างนี้โดยมุ่งให้ได้ผ้าดีๆทรงปรับอาบัตินิสกิยปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิด สิกขาบทที่สิบจีวรวัคในนิสัขิยะกันห้ามทวงจีวรเอาแก่คนที่รับฝากผู้อื่นเพื่อซื้อจีวรถวายเกินกว่าสามครั้งมหาอามาตผู้อุปถากพระอุปนนทะสักยบุตรใช้ทูตให้นำเงินค่าซื้อจีวรไปถวายพระอุปนนทะท่านตอบว่าท่านรับเงินไม่ได้ รับได้แต่จีวรที่ควรโดยการเขาจึงถามหาวยาวัจกรในหนังสือนี้แปลไว้ว่าคือผู้ทำการขวนขวายผู้รับใช้นะครับท่านจึงแสดงอุบาสกคนหนึ่งว่าเป็นวยาวัจกรของภิกษุทั้งหลายเขาจึงมอบเงินแก่วายาวัจกรแล้วแจ้งให้ท่านทราบท่านก็ไม่พูดอะไรกับวยาวัจกร แม้จะได้รับคำเตือนจากมหาอมาตย์ซึ่งส่งทูตมาขอให้ใช้ผ้านั้นเป็นครั้งที่สองก็ไม่พูดอะไรกับวายาวัจกรจนกระทั่งได้รับคำเตือนเป็นครั้งที่สามขอให้ใช้ผ้านั้นจึงไปเร่งเร้าเอากับวายาวัจกรผู้กำลังมีธุระจะต้องเข้าประชุมสภานิคมซึ่งมีกติกาว่าใครไปช้าจะต้องถูกปรับหกหาปณะนะ แม้เขาจะแจ้งให้ทราบกติกาก็ไม่ฟังคงเร่งเร้าเอาจนเขาต้องไปซื้อผ้ามาให้และไปถูกปรับเพราะเข้าประชุมช้าคนทั้งหลายจึงติดเตียนว่าทำไมเขาต้องเสียค่าปรับพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบติดเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบทความว่าถ้าเขาส่งทูตมาถวายค่าซื้อจีวรและเธอแสดงวิยาวัจกรแล้ว เธอจะไปทวงจีวรเอากับวายาวัจกรได้ไม่เกินสามครั้งไปยืนนิ่งนิ่งให้เขาเห็นไม่เกินหกครั้งถ้าทวงเกินสามครั้งหรือไปยืนเกินหกครั้งต้องอาบัตินิสักขิยะปาจิตตี